อย่างอ่อนๆก็แสจิตส่งออกไปข้างนอกให้ประคองจิตให้เป็นสมาธิไว้ใต้านานๆภาพนิมิตเหล่านั้นจะอยู่ให้ท่านดูท่านชมบางทีท่านอาจจะเลิกว่าภาพนิมิตที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่สนุกเพลิดเพิดสนุกซะยิ่งกว่าไปดูหนังอันนี้เล็กแล้วแต่มันจะเป็นไปตามอํานาจกิเลสของใคร แต่ถ้าผู้เห็นนิมิตนั้นคยมีสมาธิดีมีสติปัญญาดีอาจจะจับเอานิมิตนั้นเป็นเครื่องโูดของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติที่เจตนาเป็นกรรมฐานในแง่วิปัสสนาโดยกํำหนดหมายว่านิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนิมิตนี้ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลยงยับยัอยู่เสมอ ท่านสามารถกำหนดพิจารณาได้อย่างนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในแง่วิปัสสนากรรมฐานเรื่องในมิจต่างๆนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายโดยทายเดียวเป็นสิ่งที่ให้ทั้งคุณเป็นสิ่งที่ให้ทั้งโทษถ้าผู้ปฏิบัติกำหนดหมายเอานนมิจเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องเลื่อลึกของสติเป็นอารมณ์ที่จะน้อมเลกพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน หรือสมถะกรรมาฐานก็แล้วแต่ย่อมได้ประโยชน์สำหรับผู้มีสติปัญญาสามารถรู้เท่าทันนิมิตนั้ น, น, นแต่ถ้าผู้ที่หลงว่าเป็นจริงเก่นจังจิตอาจจะไปติดนิมิตนั้นชอบอกชอบใจในนิมิตนั้นบางทีก็จะไปเที่ยวกับนิมิตนั้นเขาพาไปไหนก็ไปพาลงนรกก็ไปพาขึ้นสวรรค์ก็ไป พาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุลามณีเข้าไปซึ่งพระธาตุเกศแก้วจุลามณีหรือนรกสวรรค์ น, นั้นเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงไม่ขอตัดสินและไม่ขอวิภาคพวิจารณฝากเอาไว้ให้ผู้รู้ทั้งหลายได้พิจารณาเอาเองเพราะว่าทางหลักพุทธศาสนาของเรารับรองว่ามีนรกมีสวรรค์ มีเทวดามีผู้ผีผีสาต์มีวิญญาณในโลกอื่นจึงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามาชี้แจงหรืออธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายฝักฝากเอาไว้ให้ท่านรักปฏิบัติหรือผู้ฟังทั้งหลายได้โปรดพิจารณาเอาเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทางขันของผู้ปฏิปันจิต แต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับนิมิตต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณากรรมฐานโดยยกเอากายของเราเป็นเครื่องลูกของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติจะน้อมในพิจารณาไปในแง่อสุภะไม่สวยไม่งามก็ดำจะน้อมในพิจารณาไปในแง่ว่ากายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็ดำในเมื่อเจสงบลงไปแล้วยู่ โ, โรยิงเห็นจริง ในอสุภะกรรมฐานโดยในธาตุกรรมฐานจนมองเห็นอสุภกรรมฐานว่าร่างกายเนี่ยมีเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดเท่าเปรยผุพังสลายตัวไปจนไม่มีอะไรเหลือและมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นธาตุสีที่น้ำดมไฟอย่างชาัดเจนแล้วสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลืออยู่ยังเหลือแต่สภาพจิตที่สงบนิ่งใสบริสุทธิ์สะอาดฝรนทัยเดียว สิ่งที่เูาเห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดแล้วยังเหลือใจจิตดวงเดียวล้วนๆแต่เมื่อจิตถอนออกไาจากสภาพความเป็นเช่นนั้นแล้วมาสู่ปกติธรรมดาเห ม, เหมือนกับเวลาที่เรานั่งฟังเทศกันอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายที่มองเห็นว่าสาบสูญหรือหายละลายไปนั้นก็ ย, ยังปรากฏว่ามีอยู่ จะปรากฏว่าละลายหายไปหรือปฏิกูลเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้เห็นอันนี้จึงเป็นเพียงนิมิตซึ่งหลักของการปฏิบัติสมถกรรมฐานเมื่อใจเเร่งจ้องอยู่ในสิ่งที่รู้โดยแน่วแน่นิมิตจอมจะเกิดขึ้นในอันดับแรกเรียกว่าอกฆาหะนิมิตในอันดับต่อไปเรียกว่าปฏิภาคนิมิต อกข้าหานนมิตติดจดต้องรู้ในสิ่งที่รู้อยู่อย่างเดียวอย่างแน่วแน่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนนมิตนั้นก็อยู่ในสภาพปกติจิตก็อยู่ในสภาพปกติแลรู้เห็นกันอยู่อย่างจิตหูติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอันนี้เียกว่าอกข้าหานิมิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตสามารถปฏิวัต ความเปลี่ยนแปลงของนิมิตนั้นให้มีอันเป็นไปต่างๆขยายให้ใ ห, ใหญ่โตขึ้นหรือย่อให้เล็กลงหรือถึงขนาดสลายตัวไปไม่มีอะไรเหลือจิตก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิของปฏิภาคนิมิตถ้าากว่าในขณนะที่นิมิตมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่อย่างนั้นถ้าจิตสาคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงของนิมิต โดยกำหนดเอาอานิจจสัญญาความจำหมายว่าไม่เทียงเข้ามาแทรกในความรู้เห็นในขณะนั้นโดยอัตโนมัติจิตของท่านก็กลายเป็นการเดินภูมิวิปัตตานากรรมฐานไปและนิมิต ท, ที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏเฉพาะในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้น ในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตของท่านรู้กายของท่านเองว่าเป็นอสุภกรรมฐานเล่าเปื่อยผูพังและรู้ว่ากายของท่านเป็นาธาตุกรรมฐานคือมีดิดน้ำลมไฟในที่สุดกายของท่านที่รู้นั้นก็สลายตัวไปแต่เมื่อท่านเตือนจากสมาธิขึ้นมาแล้วกายก็ยังอยู่หาได้สลายไปไมเพราะฉะนั้นจึงทำให้สันนิฐานตัดสินได้ว่า บรรดานิมิต ท, ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในขณะที่เราทำสมาธิภาวนานั้นจึงใคร่ที่จะขอเตือนให้บรรดานักปฏิบัติทั้งหลายให้สังวลระวังเอาไว้ก่อนว่าปรากฏการ์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นเรื่องของจิตของท่านตรุงแต่งขึ้นมาเมื่อท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นตัวเป็นตน ตัวตนก็ย่อมจะปรากฏขึ้นมาให้ท่านรู้ท่านเห็นถ้าท่านสำคัญมั่นหมายว่าธรรมะเป็นแต่คุณธรรมอันเลินอามธรรมมาทำท่นท่านก็จะจะสัมผัสรู้เพียงแค่อามธรรมมาทำหรือหรือบุญธรรมนะธรรมนะธรรมนะนี่คือทางเกิดของนิมิตหรือไม่ใช่ไม่เกิดของนิมิตในขั้นนี้ เรื่องเลาหรือไม่ไม่ไม่ได้อะไรแต่เพิ่งเกิดขึ้นภายในจิตในขณะปฏิบัติก็ตามให้สังวรระวัง ร, รักษาความรู้สึกลึกคิดเอาไว้ว่าสิ่งนี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นในขณะที่จิตเรามีสมาธิเอาความรู้สึกอันนี้มาสกัดกั้นเอาไว้ก่อน <fil> เพื่อป้องกันไม่ให้จิตของเราหลงหรือรูคิด นี่หลักการปฏิบัติที่เราจะพึงสังวรระวังเออการฟังธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปริยัติธรรมก็ดีโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องของปริยัติธรรมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยได้ศึกษาและมีความรู้มากมายกว้างขวางพิสนารบางทีบางท่านอาจจะเคยศึกษาพระอภิธรรมจบอภิธรม ร, ธรมตรีโทเอกมาแล้ว ดังนั้นการฟังหรือการศึกษาปริยัติธรรมนี่สำหรับสมาคมของเราหรือที่ประชุมของเราในขณะ น, นี้เข้าใจว่าทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจธรรมะในทางด้านปฏิบัติอารปริยัติมากมายพอสมควรดังนั้นการที่จะกล่าวพัรณาหรืออธิบายเรื่องเกี่ยวกับธรรมะด้วภูมิจิตภูมิใจนั้น อาตมะเห็นว่าไม่จำเป็นที่ จ, จะต้องอธิบายให้เยื่อจาวว่ า, วางฟังจึงใครที่จะขอให้ท่านสนใจในหลักลางกลัะแห่งโคชฉงที่เราพระไตรกายอมรับว่าเป็นองค์แห่งการตัดสุขคือสติสัมโพชฉง เราควรจะทำให้มากๆอบรมให้มากๆฐานที่อบรมสติเราก็กำหนดหมายเอาว่าให้จิตของเรามีเครื่องรู้ให้สติมีเครื่องระลึกเช่นกายตตาสติสติระลึกไปในกายพิจารณาให้รู้กายภายในพิจารณาให้รู้กายภายนอก กายภายในทำความเข้าใจเอาง่ายๆว่ากายของตัวเองกายภายนอกก็หมายถึงกายของของผู้อื่นทางในขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่หรือไปเห็นกายภายนอกที่ตายแล้วแล้วก็น้อมเลิกพิจารณาน้อมเข้ามาเปรียบเทียบกับตัวเองเช่นอย่างเห็นเพื่อนผงที่เขาถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อเขาตายไปแล้ ว, เ ข, ลวเขาจะต้องมีการเน่าเปื่อยผุพัง แต่คนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนก็ยังเป็นเพื่อนเป็นถูงเป็นมิตรสหายเคยไปวัดไปวาฟังเทศฟังคำร่วมกันแต่บัด น, นี้เขาได้ตายไปแล้วแล้วก็ล้อมมาเปรียบเทียบกับตัวของเราเพื่อนของเราตายเป็นวันหนึ่งข้างหน้าเราก็ย่อมจะตายเป็นเหมือนกับเทศเอามันง่ายๆอย่างนี้ที่เราจะต้องเข้าใจและมีความสราบซึ้งเอาง่ายๆ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 แม้แต่เพียงข้าวมเมล็ดหนึ่งซึ่งเราบริโภคเข้าไปแต่และ ว, วันละ ว, วันเราจิยตยกขึ้นมาเป็นอารมณ์กรรมาฐานพิจารณาให้มันรู้จากที่เกิดที่ดับของข้าวมเมล็ดนั้นแล้วพิจารณาให้มันรู้ความเปลี่ยนแปลงยั่งยายของข้าวมเมล็ดนั้นอาศัยข้าวมเมล็ดเดียวเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานถ้าจิตนาซึ่งเห็นจริงด้วยความเป็นธรมที่มีสติปัญญา มันก็เป็นอบายให้เราบรรลุถึงสมถกรรมฐานหละวิปัสสนากรรมฐานได้เหมือนกันที่นี้เกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนาก็จ ะ, จะได้กล่าวเสมอว่าบริกรรมภาวนาทุกชนิดหรือทุกอย่างเฉพาะในหลักอุษถสติสิทอนุสติตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่8 ข้อหนึ่งก็คือพุท ธ, ธานุสติข้อสองธรรมานุสติข้อสสังขานุสติและเทวตานุสติอุปสม า, านุสติเป็นลาดับไปเรื่องของอนุสติ8ดข้อนี้เกี่ยวเนื่องด้วยบริกรรมภาวนาเพื่อเชื่อ ว, ว่าการบริกรรมภาวนานี่ใครจะบริกรรมภาวนาอย่างไรก็ตามจะบริกรรมภาวนาเป็นทั้งวันทั้งคืนก็ตาม จิตไม่สามารถจะสงบลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิขอให้พึงทําความเข้าใจกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธภาวนาพุทโธนี่จิตไม่ถึงขั้นสมถะเพราะจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิท่านทั้งหลายจะเพึงเข้าใจผิดว่าภาวนาพุทโธจิตได้แต่สมถะกรรมฐานไม่ถึงวิปัสสนากรรมฐาน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 อารมณ์ภายนอกเช่นลมพัดผ่านเข้ามากขายังรู้สึกเกยน็นรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนอยู่จิตยังไม่ปล่อยวางกายทั้งหมดแล้วคำว่าพุโทโธหายไปเมื่อเป็นเช่นนั้นอุปจารสมาธินี่ยังไม่ถึงขั้นสมถะเป็นแต่เพียงความสงบจิตเพียงนิดหน่อยเท่านั้นคือจะให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะนั้น ผู้ฉลาดในการภาวนาจะต้องกําหนดสิทน้อมไปสู่ลมหายใจกําหนดตัวลมหายใจเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าออกจะเป็นสื่อนำผิตให้ดําเนินเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงขั้นสมถะเหรือมิฉะนั้นก็กําหนดตาจากตาสติผอมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาในแง่ใดสุดแท้แต่ท่านจะสุดูจะพิจารณาในแง่อนิจจ์ทุกครังอนัตตาไม่เทียงเป็นทุกเป็นอนัตตก็ได้ จะพิจารณาในแง่อสุภาพกรรมฐ า, านวบาคลายเป็นของกติกูน่าเกลียดโสโครกสกปรกก็ได้แล้วถามปัญหาถามตอบตัวเองไปเป็นเป่าะเพื่อประคับประคองจิตให้นึกคิดพิจารณาอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวหรือท่านอาจจะพิจารณาว่ากายนี่มีแต่ธาตุสี่ินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเราเขาเป็นได้เพียงดินน้ำลมไฟไประชุมกันแล้วมีมีจิตว ญ, ญ, ญาณมายึดถือตัวความเป็นเจ้าของ จึงเกิดความยึดมัน่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเราเป็นเขาของเราของเขาแต่เมื่อแยกออกไปโดยเป็นสัตว์ส่วนแล้วหาตัวสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอันนี้คือผลลัพธ์ของการพิจรารณาธาตุกมถานในไม่เจตสามารถแยกกายออกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมองหาสิ่งที่เป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนไม่มีเินก็ไม่เจตัวเราน้ำก็ไม่เจตัวเราลมก็ไม่เจตัวเราไฟก็ไม่เจตัวเรา ความรู้สึกเมื่อคิดก็ยังไม่ใจตัวเดาใ น, น, นเมื่อเป็นเช่นนั้นอนัตตานุปัจจณาญาณมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นคือความสำคัญมั่นหมายว่าไม่ใจตัวไม่ใจตนจิตมันก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้และอีกอย่างหนึ่งในเมื่อท่านบริกรรมภาวนาบางครั้งซึ่งจิตมีอาการสงบโกบลงไปแล้วก็สงบโคบโคบลงไปไปถึงระดับที่นิ่งิ่งเป็นอัปปนาสมาธิ แต่ท่านไม่สามารถที่จะกำหนดตามองฐานวิตกวิจารปีติสุกเอกัตต า, าได้ถ้าท่านผู้ใดภาวนาเป็นได้อย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปเถอะอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะติดสัพพะถาในเมื่อจิตสงบเก็นสมาธิท่านสมาธิบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านหนี่เกิดมีสติทีนี้ในเมื่อท่านมีสติมีกำลังแก่กล้าขึ้นสมาธิมีกำลังแก่กล้าขึ้น จริงอยู่ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาธินั้นมันติดสมถะจริงๆเพราะมันนิ่งรู้อยู่ในจุดเดียวมันไม่รู้สิ่งอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็ไม่มีปัญญาจริงๆนั่นแหละเอาแต่ไต่ภาวนาเป็นอย่างนี้จริงๆขอให้ดูให้มันชัดจะมัวแต่เถียงกันให้ปวดศีรษะเมื่อมันสงบนิ่งลงไปจริงๆแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร มันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตถอนออกจากอัปปนาสมาธิแล้วพอเกิดความคิดขึ้นมาพับเดียวเท่านั้นจิตของท่านจะมีสติจดต้องตามรู้ความคิดไปเป็นลําดับๆจะไม่พลาดจากคว า, ค, นนความคิดที่เกิดขึ้นนั้นความคิดที่เกิดเช่นนั้นมันเป็นธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ของจิตเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะสามารถรู้เท่าทันอารมณ์คือความคิดของตัวเองได้ตลอด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 สัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสัมผัสรู้แล้วก็ปล่อยวางไปสภาสวะจิตที่สงบในลักษณะที่เรียกว่าสงบสงบสงบเป็นตัวของตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นจะปรากฏอยู่ตลอด24ชั่วโมงเดี๋ขอให้ท่านเพ่งสังเตกตอย่างนี้นี่แหละคือจุดที่วิปัสสนาจะเกิดขึ้นจากสมถะแต่เมื่อจิตของท่านอยู่ในสมถะนิ่งโดยไม่รับรู้อะไร แม้แต่ตัวของตัวเองก็ไม่รับรู้ไม่ได้จิตรู้อยู่ดวงเดียวเท่านั้นในขณะนั้นวิปัสนาไม่เกิดจริงๆแต่เมื่อวิปัสนาจะเกิดก็ต่อมาจิตออกจากสามาธิมาแล้วแล้วก็มาเกิดความคิดเิตเอาความคิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องร้ลึกของสติตามรู้ตามเห็นไปมันก็สามารถเป็นวิปัสนาได้ ในเมื่อเจตตามโลภตามเห็นความคิดไปช่วงจังหวะที่มันจะสงบเป็นสมาธิถึงขั้นสมาธาอีกทีนั้นย่อมจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องที่เราว่าเรามีอารมณ์วุ่นวายอยู่จิตมันไม่สงบบางท่านอาจจะกล่าวว่าจิตไม่สงบไปทำสมาธิไม่ได้ต้องให้จิตมันสงบซะก่อน ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของท่านสงบซะเองยังที่จะก่อนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติแล้วท่านจะมาปฏิบัติให้มันเหน็ดเหนื่อยทำไมอารมณ์ที่เราว่ามันทำให้เราวุ่นวายเดือดร้อนอยู่หมายถึงสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกเล่นกายในใจเมื่อเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันเหตุการณ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 นี่เพราะเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติปัญญารู้เท่าเอาทันเมื่อเราฝึกขาดจิตให้มีสมาธิบ่อยๆบ่อยๆเข้าสติมันก็ค่อยดีขึ้น <c oughs> ในเมื่อสติ <c oughs> นอกจากสติจะดีขึ้นแล้วคุณธรรมที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในเป็นผลเกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น ในเบื้องต้นก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถปฏิบัติได้ในเมื่อเกิดศรัทธาความเชื่อมัน่นวิริยะความภาคความเพียรมันก็เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อมีศรัทธามีวิริยะความทั้งใจคือสติก็ย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาวิริยะสติความมั่นคงของจิตมันก็เกิดขึ้นแม้จะเป็นความมั่นคงโดยการขม่ม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 สามารถจำลงตัวอยู่ในสภาพปกติไม่หวันไหวแม้จะไม่รู้อะไรกว้างฝังที่เป็นโวหารที่จะพึงพูดได้ก็ตด้อันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพลังคือเป็นกำลังเมื่อพลังอันนี้มันเข้มแข็งขึ้นมันก็กลายเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติของเรา ในเมื่อศรัทธาปริยัตสติสมาธิปัญญากลายเป็นอินทรีย์แก่กล้าสติตัวนั้นมันก็กลายเป็นมหาสติเรียกว่ามหาสติปัฐานเมื่อเจตนี้มหาสติปัฐานเป็นเจตสิกประกอบแน่นอยู่ในจิตในใจสติตัวนี้เนี่ยจะเป็นผู้นําธรรม 8, 4, ระแปดหมืนสี่พันวัฒนธรรมขันมีสติวินโย ต, ตัวเดียวเป็นผู้นํา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 แต่เมื่อจะให้สําเร็จผลอย่างจริงจังนั้นต้องอาศัยการทําจริงอาศัยหลักโพตรชงคาวิตาพระหุหรัยกตาอบรมให้มากๆกระทําให้มากมากทำให้ชํานิจํานาแล้วหวังว่าทุกท่านจะประสบผลสําเร็จตามที่ตนปรารถนาโดยทัวกันทุกท่านขอจิติมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาก็โดลลมอยู่ตลอดเวลา เพราะการเคลื่อนที่ของลมนั้นมันเป็นแนวทางที่ให้จิตของเรารู้เมื่อเราจดจ้องรูดอยู่ความนิ่งของลมก็าตามความเคลื่อนที่ของลมก็าตามลมเป็นสิ่งลูของจิตเป็นเครื่องละลึกของสติเมื่อลมปรากฏในอาการนิ่ง เราก็ดูความนิ่งของลมเมื่อลมมันเคลื่อนที่เราก็ตามรู้ลมมีแค่นี้ทิดว่าเมื่อมีแค่นี้แล้วมันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาตราบใดที่จิตของเรามีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลึกผลก็คือว่า ทนสติให้มีพลังแก่กล้าซึ้กลายเป็นมหาสติอันนี้คืออุบายฝึกสติจิตที่มีความคิดก็ดีจิตที่มีเครื่องรู้ก็ดีนั่นดีสําหรับผู้ปฏิบัติถ้าจิตไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่มีเครื่องรู้สติไม่มีเครื่องลเลิก นั่นลำบากสำหรับนักปฏิบัติเพราะถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติไปติดตามนิ่งซึ่งไม่มีเครื่องรู้อะไรถ้าหากว่าจิตจะเดินดำเนินไปก็เดินไปในแง่ของฌาดทานชนิดที่ไม่มีเครื่องรู้แต่จิตต้องอยู่ในจุดเดียว นักหนักเข้าเมื่อติดทานแล้วจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสนาเมื่อจิตเบื่อทานแล้วจิตจะกลายเป็นจิตหดผู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติข่านใดถ้าจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องละลิขนั่นเป็นการดีสําหรับการปฏิบัติถ้ายิ่งมีความคิดฟุ้งมากมากยิ่งดี ดีมันดีอย่างไรดีเพราะจิตจะมีเครื่องรู้มีสติมีเครื่องลเล็กอย่างสมมติว่าท่านต้องการจะให้จิตของท่านสงบนิ่งแต่มันนิ่งไม่ได้มันมีด้วยความฟุง้งถ้าหาท่านสามารถําหนวดจิตตามรู้เอาตัวสติตามรู้ความคิดที่มันฟุ้งส่านนั่นเองมันจะคิดดียวก็ตามคิดชั่วกว่าตา ม, า ต, ามตามรู้เรื่อยๆไป ในขณะที่ท่านตามรู้อยู่นั้นผลซึ่งเกิดจากสิ่งที่จิตของท่านคิดขึ้นถ้าหากว่ามันอยู่ในสภาวะปกติจิตจะอยู่ใน อ, อยุในลักษณะสัตว์แต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปแต่ถ้าหากมันเกิดอาการของกิเลสขึ้นมาท่านจะเกิดความยินดีหรือเกิดความยินร้ายสิ่งใดที่ท่านชอบท่านจะยึด ในเมื่อท่านยึดตรงไหนภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านยินดีที่ตรงไหนการตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นท่านเบื่อหน่ายที่ตรงไหนทพิภาวะตันหามันก็เกิดขึ้นที่นั่นาหากความคิดนั้นสักแต่ว่าคิดคิดแล้วปล่อยวางไปไม่มีอาการยึดถือไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตของท่านกําลังจะดําเนินเข้าไปสู่สาภาพปกติ ในเมื่อสภาพปกตินี้มีความมั่นคงขึ้นสมาธิติกลายเป็นอริยมรรคเจอความประชุมพร้อมแห่งมรรคแตกศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมลงแล้วจิตกลายเป็นสภาพปกติซึ่งมีสมัรถภาพที่สามารถจะปฏิวัติตัวเองไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้นัน้าปฏิบัติสมาธิอยาไปติดวิธีการ แต่เราไปเิดวิธีการแล้วเราจะเอาวิธีการนั่นมาฟัดนเสร็จแล้วก็จะเกิดทะเลาะกันการทำสมาธิเป็นกิริยาของจิตหลังทำสมาธิได้เดินทำสมาธิได้นอนทาสมาธิได้หรือใครจะแน่จริงวิ่งทำสมาธิก็ได้